โดยศึกษาพิจารณาสิ่งที่เราตามดูรู้เห็นได้คือสิ่งที่กำลังเป็นไปอยู่จริงในปัจจุบันจากส่วนย่อยหรือจุดเล็กที่สุดขยายออกไปได้แก่กระบวนการแห่งความคิดหรือเจจํำนงที่กล่าวมาแล้วนั้นเริ่มตั้งแต่ให้เห็นว่าเมื่อคิดดีเป็นกุศลก็เกิดเป็นผลดีแก่ชีวิตจิตใจยอย่างไรเมื่อคิดร้ายเป็นอกุศลเกิดเป็นผลร้าย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 เกิดความเข้าใจตามแนวธรรมเมื่อมั่นใจในความเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยในส่วนที่เกี่ยวกับเจตนาหรือเจตจำนงแล้วก็คือมั่นใจในกฎแห่งกรรมหรือเชื่อกรรมนั่นเองครั้นมั่นใจในกฎแห่งกรรมแล้วเมื่อต้องการผลที่ปรารถนาใดก็หวังผล น, นั้นจากการกระทําและกระทําการตามเหตุปัจจัยด้วยความรู้เท่าทันเหตุปัจจัย ให้ผลเกิดขึ้นตามกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยเมื่ อ, อยังต้องการผลที่ดีทั้งในแง่กรรมนิยามและทั้งในแง่โลกธรร ม, ม, ก, รร ม, มก็พึงศึกษาปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งในด้านกรรมนิยามและด้านนิยามอื่นๆให้ครบถ้วนแล้วทำปัจจัยเหล่านั้นให้เกิดขึ้นพรั่งพร้อมโดยรอบครอบอย่างที่ได้กล่าวในตอนที่แล้วไม่ต้องพูดถึงงานปรุงแต่งวิถีชีวิตดอก